มีเขาวิจัยกันวิเคราะห์เลยว่าณนะวินาทีนี้วิชานั่งต่อไปนี้จําเป็นสำหรับผู้บริหารก็คือเขาทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เชิญชวนคนเข้ามาของไทยยังไม่มีตรงนี้วินาทีนี้ยังไม่มีมีที่กอพร์ลล์แลกรรมการพลเรือนจางปัญญาไปช่วยมาเจ้ทศพรที่กอพ ร, รอ์หนังสือที่ผมเขียนมาแต่และเล่มที่ปล่อยอยอกมาเนี่ยส่วนใหญ่ตรงกับนี้ไทยนั้นเลยนี่ผมเขียนเรียนนิ่งออยู่ตอนนี้ อืมที่ไหนนะกระทรวงแรงงานเออไม่เร็วเงี่ยกูลองดูให้ส่วนใหญ่กระทรวงแรงงานมันไปติดตรงไหนรอ้ป่ะคุณมันจะสอนเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นแรงงานน่ะเป็นสกิลเลยมากกว่าแมネจเมนต์สกิลไม่เคยสอนเลยต้องลองดูสักตั้งเออไม่เร็ว ก็ทอรชิพแลคือจะเป็นโฟลเลอร์ก่อนวิธีที่จะเป็นหัวคนไปเป็นตีมก่อนระยะหนึ่งก็คือไปเป็นตีมที่เหนื่อยเนี่ยไปที่ท้ายเนี่ยคุณจะเป็นที่ข้าเขาก่อนเด๋ยวเลดิเทอร์ชิพเป็นออกของของเรารู้สึกคุณจําลองสีเมืองแกจะทําที่เมืองการแต่นั่นแม่ก็อะไรไม่รู้แม่แดกผักการเป็นการแดกผักแล้วเป็นผู้นำก็งงๆกันซึ่งมันไม่เข้าใจเขานะผมไม่เข้าใจเ้าจะดีก็ได้นะแผ่กก็งงๆเขาอ่ะ ลิทเลิศชิฟสุดท้ายสไตล์ที่ผมทำวันนี้คือไปไปวัดป่าเดินป่าช้าเร็วกว่าเพราะว่าสุดท้ายคุณต้องเรียนรู้เรื่องใจถ้าคุณไม่ไม่รู้ใจตัวเองนะคุณชนะใจตัวคุณเองไม่ได้นะคุณไม่ต้องชนะคนอื่นรอบตัวคุณเลย Learn how to win yourself อยู่ว่าจะวินออกชนะใจตัวเองได้เช่จะด่าลูกน้องครับ ใครจะเลิเลิกเด่าแม่หาแผนอื่นดา่าถ้าคุณด่าลูกน้องมาสีปีผู้แม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะแล้วคุณยังด่าต่อปีที่ห้าคุณยังไม่เห็หัวสี่เหลี่ยมคุณก็เปลี่ยนวิธีละคุณดา่ามาสีปีแม่งคุณไม่ขึ้นเลยพื้วคุณด่าต่อคุณโง่งมานีกใช่ไหมวิธีคิดเลยก็ต้องต้องหักห้ามใจแล้วก็เช็งตัวเองได้ส่วนใหญ่ที่เราไม่อยอมเช้งมีเฮเบอร์เพาใจเราไม่นิ่งใจอ่อนเกินหรือแข็งเกินเหตุ เ, หเลยงนระับ กายมันต้องส่งไว้ขึนความเป็นกลางนี่เรียกว่าจิตว่างที่อจารยพุทธาสอนนะนะพอจิตว่างๆรับสติมาเนี่ยเดี๋ยวปัญญาเข้ามาหาตัวเองเนี่ยหลวงปูกับหลวงพ่อบางองเนี่นะจบป .4 นะครับแต่สามารถสร้างปุติได้เหมือนสถาปัตย์สร้างนะผมลงอยู่ตั้งนานสุดท้ายก็จับหลักธรรมมาได้อ๋อจิตคนเรามเหมือนแผ่นซีดีลอมที่อยู่กลางหนะ อ, อกตรงเนี้ยพอบรรลุธรรมแล้วเนี่ย พอจิตว่ามันรู้ทำแล้วมันสามารถเซิร์ชไปเอาความรู้โนเลชในชาติก่อนออกมาใช้ได้เว้ยเข้าใจยังไออยผมก็ไม่โม้นะคุณจะลบศึกไหนเดี๋ยวเล่าให้คุณฟังก็ได้เจ้าสงครามเก้าทับหรือเจ้าอะไรได้คือในยุคที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยผมจะเล่าให้คุณฟังว่ามันอยู่ข้างในนั่งย้อนเข้าไปดูข้างในโนโนเลชตรงนี้นมันขึ้นมาให้สงครามกิสียาครั้งที่หนึ่งถามกูได้กูเล่าอธิบายให้ฟังอาจารย์ไม่ใช่ฝั่งไทยนะ ขอภ้วคุณจะเล่าให้ฟังมันมันมันเป็นสิ่งที่มันจะอยู่ห้างในอยู่ที่ข้างในครับไปนคมลนั่นรก่่ถึงถึงเวลาแล้วมันจะอึดอัดชัดชัชาบ้นจะอ๋อเป็นจังสั้นเขาเรียกว่าผู้รู้หลวงปูหลวงพ่อเรียกว่ผู้รู้ฝูกถึงระยะหนึ่งนะพูดไปในอวดอุตตรีนะเมีคาราวาสแม่งคูดได้ จึงถึงเมื่จุดมันก็จะขึ้นมาอย่างเรื่องเใบสามเสาเนี่ยลบกันเลยเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยแต่ก็ขึ้นมาแล้วอืออโอเคลบกันต้องทําแบบนี้อย่างนี้มันขึ้นมาเองเนี่ยมันค่อยค่อยขึ้นมาโนโลเล็กกว่าเก่ามันขึ้นขึ้นมาอรเงี้ยมันทุกบอกว่าสุดยอดของการเรียนรู้นะคุณเรียนรู้ที่ใจก่อนแต่พวกนี้ผมพูดมาไปเนี่ยฝรั่งแม่งครับไม่เข้าใจหนึ่งฝรั่งไม่เข้าใจคนไทยก็หาครูเพี้ยน ถว่าแต่ถ้าเกิดคุณเข้าวงการเรื่องผมไม่ยคุคเจอหลวงปู่หลวงพ่อแต่ละองคุณจะเข้าใจโอทําไมภาคอีสานจบป .4 ทําอะไรโคตรเก่งเล ย, เยท่านคิดอะไรได้ทั้งเยอะแยะทั้งหะฉันที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยจบแค่ป .4 ด็อกเตอร์นาซาอย่างผมเน่ต้องกราบตีนคนหนองบัวลงพูเลยคิดดูเลยล้วผมไปกราบตีนน้อเอ็ดอะเขายังงั้ผมก็ยอมรับยอมรับหลวงปู่หลวงพ่ออีสานผูแต่ละคนอุอจจาระจัชชาไม่ธรรมดาเลยจับสอนกูได้เป็นเรื่องง่าย เก่งทุกคนเรื่องคนเรื่องอะไรเพราะคนนี่สุดยอดเลยมหาหอนเรื่องคนนะหัวข้อแต่ละคนไม่ธรรมดามาอย่างลงืมตามาหาบวงทั้งหลายเรื่องแค่นนโค<ฆ>ตรเพ่งนะ้องไปอยู่ใกล้ใ้ท่านถึงจะรู้อ๋อผมต้องบอกว่าสุดยอดของการเลินนิ่งนะสุดท้ายคุณเลินนิ่งเรื่องใจตัวคุณเองนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งนี้เข้ามาก็คือพอมีสติเข้ามาปับ๊บปัญญาแม่งตามเข้ามาเป็นชุดแต่ถ้าคุณไม่เคยฝึกเรื่องสติไม่เคยฝึกเรื่องธรรมะไม่ถูกเรื่องใจเนี่ย สมองคุณเต็มไปด้วยอัตับติและความลำเอียงมันจะมีเรื่องจังเนี่ยไอเดียจังๆเข้ามาเยอะเลยแปลคำว่าจังหลอกนะขยาแน่เข้ามาเพียบเลยแล้วคุณไม่เคยดีแฟ a กคุณดีแฟกเป็นป่ะนั่งสมาธิแล้วคุณก็ดีแฟ a กจากดีแฟล็กกิ้งในคอมันจะมีดีแฟกอ่ะคุณก็นั่งสมาธิแล้วคุณก็ดีลีดไอ้พวกนั่นห่วยๆแล้วก็โล่รีไซเคิลวินออกไปบ้างถก่า้คุณก็เชงแล้วนี่คือเคล็ดที่เก่งคอยทา วิชาเรีอนิ่งออกฝรั่งแม่งไม่เวิร์กแต่กูไดปไเรียนพร้อมเรามานะ AIS เอยถาบันเพิ่มเอ่ยโรงพยาบาลสรีราชเอ้ยนะครับเรื่องทําโน w l e คอนแข่งคอยไม่เงวเลยหลายปีเราทำแป๊บเดียวผมว่ารีเซาเราออกมาเยอะมากกว่า p r o d u c ิวิ i ี y เราเพิ่มแหลกรานเลยแม่งกำไรแล้วตอนเนี้ยช่วแข่งคอยแม่งกำไรหลายเองขึ้นมาแหลกานเลยคนของเราแม่งขึ้นเยอะแยะเลย วิธีคิดวิธีอะไรแม่งมันกว่าเดิมจนจนกจกเขาเซนได้เลยอะ่ะเพราะแม่งเฉงท้ามันคืออะไรครับพอคุณปฏิบัติธรรมมีสิ่งสองสามอย่างเกิดขึ้นก็คือหนึ่งพอสติมานะปัญญาในชาติผ่าก่อ น, อนหรือปัญญาอะไรแม่งเข้ามาหนึ่งแนละ้วอันที่สองเว้ยพูดไปแม่งหาเหมือนโมพอพอคุณเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยดวงคุณเปลี่ยนนะ้คุณจะอยู่เหนือดวงนะ้พอคุณเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนในเทวดาเริ่มคุ้มครองคุณ แล้วโจดต่างๆแม่งเปลี่ยนเลยโจดต่างๆแม่งเปลี่ยนเราเอียเริ่มอยู่ข้างคุณถ้าเป็นสุเมืองตอยก็คือเทพเจ้าแม่งอยู่ฝั่งมึงแล้วเนี้ยใช่แต่ถ้าคุณลูกโง่เซ่อๆวิชาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็รอเล่นตอนมึงตายนั่นเองรอลวกพวกมึงคนเดียวนั่นเองเขาก็องไปเข้าค้างมึงเพราะอยู่พวกมึงไม่มีประโยชน์เลเทวดานี่มีงห้อยอยู่พระตอาปลุกเสกพระแต่ละองค์เนี่ยก็เชิญเทวดามาดูแลไว้เต็มใช่ไหมมึงแม่กินเหล้าตีกะรี่หายหมดอ่ะ ใช่ป่ะเราคุณปฏิบัติทสมสวดมนต์ไหว้พระศีลห้าดีๆอยู่ไหมครับตอนนี้ก็กลับมาดูแลคุณเทียบเลยเหล่าเนี้ยดูดีๆของพวกนี้นะมันเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยเรื่องทงคุดเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็น higher science ซึ่งฝรั่งไม่ยังมาไม่ถึงแต่ฝรั่งบางคนก็ถึงแล้วเปลี่ยนเป็นผววเป็นพระที่เมืองไทยเยอะแยะเลยศาสนาพุทธตอนนี้เพิ่มทุนที่อเมริกาประมาณ 1.5% มีคนในอเมริกาหนึ่งถึงสเปอร์็นเปลี่ยนเป็นพุทธมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นศาสนาของเรื่องของวิทยาศาสตร์สุดท้ายพอมาถือพุทธคุณจะพบเ ว, ว่าคุณคุณไม่เป็นพุทธในที่สุดสุดท้ายพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่เป็นความว่างสุดท้ายแน่ชีทางคริสต์หลายคนเปลือกนอกใส่ขมแม่ชีข้างในเป็นพุทธท่าเว้ยอิสลามบงคลยังได้เลยภายนอกอิสลามเลยข้างในเป็นพุทธทาเพราะความเป็นพุทธท่าหรือความว่างก็คือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าเองเเอะ คือพระเจ้าคือตระหนักเขาก็คือนิพพานฝั่งเราคือสุดท้ายมันเรื่องเดียวกันหมดไงเป็นอย่างศัพท์ปัญญัติที่จะใช้ที่จะฝึกมันไม่เหมือนกันนั่นเองคนคิดหลายคนนะหรือว่าอิสลามบางคนมาปฏิบัติทางคุทเนี่ยแป๊เดียวก็ได้เลยพราคิดตอิสลามมีข้อดีตรงไหนรู้ไหมเขาวินัยดีเขาถือศีลเคร่งครัดแล้วผู้วิหารสี่เขาเยี่ยมมากเลยแล้วพอภายในก็เป็นพุทธะใช่ไหมเขาพูดไปถูกอ่ะเขาก็คือพระเจ้าอยู่กับเขาแล้วคืออนิจจังนั่นแหละถ้าจะได้โสดาบันหนึ่งฝั่งเขาแล้วก็ได โดยที่ตัวก็เองจเป็นพุทธายเป็นศาสนาอื่นในข้างในเนี่ยอาจจะเป็นโซดาก็ได้เจอความว่างไปแล้วเขาเขาเรียกมัาไม่ถูกเขาเรียกแต่เจอเจอพระเลาะเจอเจอพระเจ้าไปแล้วเขาก็มีความสุขมากเลยโอมามบางคนเนี่โห ส, สุดยอดวิสัยดีดีใช่ไหมหรือพระพระทางค ร, บบาริสบอกบัดหลวงองค์นี้ท่านข้างในก็เปลี่ยนไปหมดแล้วอย่งางเงี้ยก็เนการฝึกที่ได้ชีเนี่ยสุกที่ใจซึ่งทางคเขาก็สอนนะ อย่าเจอราชันแห่งสวรรค์เนี่ยต้องข่มตนก่อนซึ่งก็ตรงกับทางพุดอยู่ดีสุดท้ายนี่นว่าคริสพุทธอิสราลวิธีสอนนะเหมือนกันแต่ศัพท์มันยัดต่ตางกันตอนนี้ผมแยกไม่ออกจืดศาสนาอะไรงงไปหมดแล้วตนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ให้ผมไปบทคริสใช้เข้าสุลเหลาผมมุยินดีผมเนี่ยแฮปปี้หมด <c oughs> มันไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายสุดท้ายมันคือสันติภาพอะคือนกพิราบที่บินเพระอิสราเลเขาเป็นเรือใช่ไหมลอยล่อง ไม่มีพันธะไอ้ทั้งสิ้นถ้าิเสือไปสร้างนก้วยจะสร้างเรือทางใต้อะเสือไปทับนกไ อ, บไอ้บ่ายก็ต้องทับเรือไปถามกูก่อนหึ่เาโกรได้ห่อ่าโอเคนะนี่ก็นั่งเล่นกันสอนกันนะเนี่ยท็อปของเขาเนี่ยรองท็อปเขาพี่สานิศเนี่ยรองอจอกจกคือท็ทอปมากันหมดแล้วนะทําอะไรกันดแต่ท็อปมากันหมด จาก็น่เลยว่าดีแ่ไเราไม่ยอะ่ท่ไม่ใช่นะเนี่ยจุลารุ่นเดียวกันองค์กรจะเป็น learning org ได้เ่ย e m ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนเช้งพี่สันนี่แค่ว่าเช้งเช้งกันหมดนะไอ้พวกเนี้ยจ่าแล้วมันเช้งตามเขาไปด้วยเข้าเมืองตาเหลียวอันนี้ก็คือสไตล์นะ e h ก็เอาสีสวยมาลูกขันแล้ก็กำลังใจที่ย่างอนี่ยมีแค่ย่างมีมีนุ่มๆดยนะจ่ที่เกียรถ่ายตัวฟิมกู ก็ถ่ายด็กสาวปูนมาใช่ไมมีการปูนนมมลชนใช้หลักของนิเทศศาสตร์คุณมีใครจบนิเทศานะเทศาสตร์ไหมวิชเชงแมนจ์นิเทกคะแนนสูงอ่าสอนอีกหนึ่งวัยศาสตร์ในโลกอนาคตอยู่ที่อยู่ที่นิเทศศาสตร์คุณดูชวนกันทักสินนะคุณว่าใครนิเทศศาสตร์เก่งกว่ากันคนละเรื่องเลยาไหนอ่นอย่างั้นก็ได้นะใครจะไปรู้ แต่กิจคียกแขงตัวเองเลยเป็นสุดสุดยอดศิลปะของการบมเนารจัดการใช่ยังมึงทาดีนิดนึงมึงก็ให้คนยกแขงมึงใื่ยังอย่ายกเองนะเสียฟอร์มมีคนยกยกให้มันก็ดูดีมีภาพขวัญกำลังใจก็เพิ่มสุดท้ายมันได้เว้ยได้ขวัญกำลังใจถ้างานพร้อมมึงจะรบตายตัวมึงสังเกตไหมในสมัยก่อนกษัตริย์โบราณจะออกไปลบก็ต้องมีการเขียนบทกรเผยประเกียรจกันสนั่นวันไวเลยเพื่ออะไรนี้ อ, อ, อับตัวเองอับตัวเองประเทศไทยเราจะเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วในฐานะที่คุณจบรัฐศาสตร์มาคุณจะทำยังไงคุณจะต้องหาฮีโร่ในองค์กรซึ่ง p ีเตอร์เซนเลิร์นนิ่งออร์แกนหรือโนเลจแมนจ e m e n t ก็พูดถึงเรื่องฮีโร่ในองค์กรใช่ไหมครับต้องหรือจะโมดิเวเตอร์และจะมีฮีโร่ในองค์กรยกตัวอย่างเช่นทางอีสานเนี่ยตอนนั้นมันไม่มีวีรัสตีเลยคุณทาไง คุก็เรืองเมฆขึ้นมาว่ามีย่าโมเมื่อเมฆคุณก็เรื อ, อ, อ่านประวศาสตร์สมัยไหนก็ได้ช่างแมงจนไปเจอสมัยรชาชการที่สามมีเมียผู้ว่าคนหนึ่งใช่ไหมฝัดกับลาวจริงไม่จริงไม่รู้ว่าคุณต้องทําให้แม่งสุดยอดอลังการได้ได้พอคุณปั่นย่าโมขึ้นมาปั๊บวิญญาณย่าโมมีคนส่งเสริมบุญไปให้ย่าโมศักดิ์สิทธิ์กันทีเลยแล้วอันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยอันเนี้ยใช่ได้แล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นพลังจิตของพคุณทั้งหมดรวมไปที่นั่นหมดเลยท่านได้บุญไม่อึ้ยเลยจ่าโมเขามีนะอ้วทางใต้ไม่มีเลยคุณต้องไปปั่นที่ไหนเ อ, อที่กรุงเก๊ตคุณก็ต้องสร้างสืง่อตลาดเขา ม, มา่เอาไม่แค่สามพันคนเนี่ยนับป่วน ไ, ได้เลยสามพันคนเนี่ยใช่ปะ่ะมึงดูสุดทอยเนี่ยเป็นแสนเนะสามพันแม่กระจุกหนึ่งแต่โค้ดเทพเลยเขื่อนย่ามึงก็ต้องปั่นเรื่องขึ้นมาเก่งไม่เก่งไม่รู้อะเก่งเข้าใจไหม เขาคอจริงๆแม่งแทบจะไม่ได้ลบเลยแม่งตัดไม้ทําลายป่ากันนะัขึ้นมาชิบหายเลยแล้วก็เจอพวกแมวแดกยาไม่มีเลยแล้วไม่ก็บอกเนียคอมบูนิสต์หลายอย่างแต่พวกความเทพทั้งหมดแต่ทั้งโซลีอัจฉริยะมันก็เป็นเรื่องของไซโคโลจีเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของนั้เลยอ่ะทําเป็นบ้าตัวฮีโร่รือองค์กรคุณไครโปรโมเดลหรือฮีโร่ที่เป็นตัวแทนของโอ้เยส คนนี้แม่คือเล ARNING คุณที่สร้างฮีโร่อะคุณตายเลยแล้วเสือผู้บริหารเสือบอกผมในฐานะผู้บริหารคือฮีโร่เขาหนีมึงหมะเลยความที่ตายมันแยกงฮีโร่ไปหมดไม่ใช่ใช่ไหมผู้บริหารแม่คือคิงถือว่าคุณจะมีหน้าที่ชมฮีโร่ไม่ใช่เสือเป็นฮีโร่เองคุณจะต้องชมฮีโร่คุณต้องชมเขาบ่อยนะเพราเขาทําดีขึ้นทำไมครับ โอ้ oh, yes อย่าให้ทางนะสุดยอดกันให้ทางแนะเจ๊งต้องให้คําชมอย่างเนี้ยชมบ่อยๆชวนไปกินข้าวด้วยบ่อยๆถึงลูกผู้คนนี้เจึงันกําลังใจแม่ก็เกิดขึ้นแล้วชมชมชมยากลเลยนะการบริหารคนเนี่ยอันนี้ก็คือออกไปปรับปรุงห้องส ม, มุดโรงเรียนทับท้าครา้อคนไหนเกลียดกันเนี่ยให้จับกลุ่มมันออกไปในบริษัทคุณเนี่ยฝ่ายบุคคลแม่ต้องทําโซเชียลไดเมนชัน อย่ามาติดนิสัยแบบพอทำ l e ARNING O หรือทำ LEARNING b e h a v i o r เสือการทำมานเล่มเดียวด้วยผมใช้หลายๆาสาบอินดิเกตเข้าไปสมวนเต็นไปหมดเลยใช้วิชาเชน management ใช้วิชาของคนรศาสตร์ใช่ไหมใส่ไปหลายอย่างใช้วิชาของ social dimension คุณรู้ไหมตอนนี้ในห้องนี้ใครแน่แดกข้าวใครมึงมาไว้หมดนะใครกินข้าวใครไม่อกี้ใครแม่เข้าห่วงคุยอใครใครแน่ชอบไปเที่ยวใคร ฝ่ายบงคมึงก็มงรู้หมดแล้วแล้วใครแม่ไม่ถูกกับใครมึงจับไม่ได้หมดแล้วฝ่ามบุคคลฝ่ายบุคคลไม่ใช่แมงถึงเวลาก็คิดเรื่องอบรมมาแล้วก็ก้อนผู้แม่มีเรียนมึงก็ไม่เรียนกับมึงหรอกถูกป่าเรื่อคืองานเนี่ยเก่งใช่ไหมครับงานนี้ยิ่งใหญ่คืจับใครกับใครแม่ไม่ถูกกันเพื่ออะไรครับอันนี้มึงจะสลายทุกมึงด้วยการให้มึงสงคนไปปรับโพรงท้องสมุดโรงเรียนว่าท้าคล้อ มึงสร้างผลงานวบมึงเกลียดมึงยิ่งเกลียดกันกูยิ่งจับคู่มึงจะไม่เอางนเองเอางานประจำนะเดี๋ยวพังเยยังกูหาสนามรบข้างนอกนั่นก็คือพวกมึงไปชิบหายข้างนอกนี่กวมาําทาังในโรงงานที่แยันมึงไปพังที่ตัวเจคงเสมอว่าข้าวคอนะมึงเรียนบ้านนอกไม่ด่ามึงหรอกพมึงไปเขาก็ล้างมือมึงไปทายิ่งเง้ยวเาจับไม่ได้หรอกเขาไม่แคร์เาไม่แคร์เรียกเาเรียกทำโอสอ ทำบ่อยมากทำเยอะมากเลยเนี่ยทำกันแหลกลามเลมีทั้งหลายกลุ่มคืนฝันเงินฟ้าใสแต่แม่งทำเงินใช่ไหมเด้กลุ่มนี้แม่เงเจ๋งวางแผนบนทรายขนงานผลงานขึ้นเลยนะวางแผนคือเขียนบนทรายผลงานคือเขียนบนศิลานี่เข้าใจไหมกลุ่มนี้แม่งสุดยอด <S <S <S <S เขาก็ภูมิใจเขาถูกไหม ผมก็จัดงานไม่ผมว่าพวกพวกเราว่าจัดงานตรงนี้แล้วเชิญลูกเมียเข้ามาดูวันพ่อวันแม่ในโค้ดสาคัญเลยคุณเชิดชูพนักงานนะคุณเชิดชูจังหวะแบบนี้วันพ่อวันแม่เชิดชูวมึงเลยพ่ออย่างมึงเลยโค้ดเก่งเลยเข้าใจยังถ้าลูกมึงเลยมาดูด้วยใช่ ไ, ไหมแล้วก็มีเกมมีอะไรดึงพ่อแม่ดึงครอบครัวให้ได้เขาพ่อคุยความภูมิใจแม่ก็คึกอยากทำกันชีบหายเลยนะ เดี๋ยวตอนนี้กำลังเข้าโครงการผ่าเครื่องจักรเรียกว่าผ่าเครื่องจักรไหมหั่นเครื่องจักรออกมาเลยแล้วมาอธิบายกันเดี๋ยวทำซิมูเลชันเตาเขาปูทั้งหมดเลยคูซิมูเลต์ได้ออกมาให้หมดเ้ยขยายยังอธิบายทงางซิมูเลต์รับเชิญเด็กๆมานั่งดูกันสอนเด็กๆในเล็กๆเนี่ยพอมันเก่งขยายยังจีนไม่เก่งหรอกครูช่วยกันไปเยอยๆขยายยังแต่ครูก็ไม่พูดใี่แหละมาะไงที่ดีเวลาช่วยต้องต้องเสนอหน้าไหมให้ลูกน้องไม่ได้เครดิตให้มันไปให้มัน คนอย่กูมีอะไรใหม่ๆสอนพวกม en, ึงเรื <ads> ่อยกู darling, vents. ไม่แคร์หรอกกูให้มึงหรือกูหาใหม่ม่ให้เนี่ยมันก็อยู่ที่การสอนสอเซลล์ที่ก็เอาวัตถุดิบได้เชื้อเพลิงทำหลังคาจอดรถนักเรียนทำไปเ้อะดีทุกคนน่ะเจ๋งไหมผลเสนผลงานเสร็จแล้วเราก็ไปเชิญนี่พวกผู้หญิงที่ที่ออฟได้ห้าร้อยบาทอ่ะรู้จักไหมแถวนี้มีป่ะือคืนขับรถไปแล้วมีไฟเขียวไฟแดงอ่ะที่มึงจะออฟไปนห้าร้อยนักร้องอ่ะกงวันก็ไปปลูกคนหน่อยเตินเตนหน่อยน้องเดือนเตือ เราใมันมันนุ่งสั่นๆาาทำไมครับถ้าเราจะ <c oughs> ให้งา น, นคึกคักให้พนัก ง, งานแม่งเห็นมีความมันมันให้บ้ากามนะจะเป็นพรารุ่งงนน้องบ้ากามต้องทำให้กำบ่าบอทามันไปเรื่อยๆสนุกอะฝ่ายบุคคลไม่เป็นคนจี้จี้โจ๊กๆอฝ่ายบุคคลไม่ต้องสนุกแต่ไอหวา น, นี่แม่งแ ม, ม่งมันมันมีรงมันมันของมันเยอะมากนะช่ไไอโจงเนี่ยทีมงานของแห่งฟอยเป็นขี้เล่นไง จะฝ่ายบุคคลของอีกทีมหนึง่งเ่งเป็นฝ่ายบุคคลแบบเครียดๆเหมือน e อีคู่ไหวอ่ะไม่ได้ต้องจดชื่อใครจดชื่อจดแม่งใครไม่มาเรียนแม่งก็คือแม่งนี่ยากรสอนไม่ตรงต้องหาวีทยากรวิทยากรแม่เอกสารไม่ พ, ม ร, ร, มพม ร, ร้อมตาแม่อีอ่อนไปไกลตีนอะไรนี้ไปเลยฝ่ายบุคคลเรื่องคนแบบไหนครับสนุกสนานเฮเธออายุให้คนเขารักกันะแล้วมีอะไรมานั่งวางแผนนั่งวางแผนอย่างรีบร้อนพูดใจเย็นๆใช่ไหม เราค่อยเช้งเป็นครูแสนดีเป็นอ่ะอาจจะเป็นหน้าหนังหนังบางนี้บังคับให้คุณดู G T O Great Teacher o อทิสุตมึงต้องดูหนังบังคับอ่ะแต่ประวัน ด, ด้วยหลายอย่างเงินเงยอยู่ฝ่ายคนเกรซท t ชเชอร์โอ i s u k a ไอ้ที่แดงจอมผมเป็นสีทองอะ่ะหลายอย่างไม่ต้องอย่างนั้นเตะที่ดูตาแก่ออกไปเป็นลูกเสือทำถึง มีวันนึงนะเนได้ถ่ายรูปไว้แล้วมันหายไปก็คือผมให้พวกเราทั้งหมดเลยเนี่ยพวกไอ้เซลล์เเนี่ยใส่ชุดนักเรียนมาเรียนหนังสือผมผ ม, มายุธาาทธศาสตร์ไว้สองสามอย่างที่ให้ใส่ชุดนักเรียนมาเรียนหนังสือหนึ่งผมจะดูว่าใครแม่งถึงขั้นยอมทําตามที่ครูสั่งแล้วครูจะดูความ พร้อมครักดันมือเดียวกันของพวกมึงประเด็นไม่ไอยู่ที่ไหนกูดูว่าใครแน่งเดื้อครูบ้างนั่นเองเคกูมาหัวไว้ครูตามเก็บบนหลังเองของนี่เลยที่ทําร่วมกันแม้นดูยี่เงาก็ต้องทําไมครับต้องทําเพราะอาจารย์ไม่ได้สั่งว่าพวกมึงก็ใส่ชุดักเรีย น, น, นหรือว่าพคุณหัวทั้งห้องว่าคราวหน้าจะใส่ชุดอะไรกันมาใส่ผู้หญิงมีกันทั้งห้องแล้วสุดพวกมึเกกงเป็นต๊กทั้งห้องก็ได้อันนี้คือขั้นสูงสุดละ คุณจะเชงอ่ะคุณจะเชงคุณจะไม่กล้าเช้งเลยเอามั้ยคุณย้งใส่ชุดโรงเรียนมาแล้ว่าเห็นน่ะมึงยังหยิ่งยิ่งอยูถ้าใจสนามโลงคูณหันคอพว้มึงทิ้งหมดเลยถูกไหมครับคุณดูหนังเรื่องนี้นอย่างอ่าเขาเรียวกว่าอะไรนะสุดมัวงานแรกที่สุดมูทําคืออะไรก็าถามกษัตริย์ก่อนว่าให้ด่ามายาสิทธิ์ไหมกษัตริย์บอกได้ทําอะไรก็ได้อ่างานโอเค แม่งเรียกนางสนมทั้งหมดมาอา้าวนางขนมทั้งหมดซ้ายหันนางขนมแม่งหัวล้อกันคิกคิกคกิแม่งฝันคอขนมทิ้งสองคนอา้าวซ้ายหันหันแด้มนี้ขวาหันไปขวาเนี่ยหั น, หนช้าใช่ไหฝันโถตักเกียร์ขนมทั้งทั้งวางแม่งซ้ายหันขวาหันได้ดังใจนึกเลยแม่งคือกระบี่กริยัแม่ตกใจแหละสุนูไม่ว่าอะไรไหนไนี่ไงมึงให้ดาบกูแล้วเหรอกระสับตัแล้วแล้วคืนทา ย, า ย, าย้ายห่างเลยเข้าใจยังเป็นเรื่องพวกนีนน้ก็เป็นการเช็คเช็คสติลลิ่งแต่นี่จะไม่เล่าไป่ได้งานฟังนะให้เป็นเรื่องที่เราดูกันจุกว่าเฮ้ยมันจะเป็นคนมีเฟีย อ, อยู่ ม, มีมีเน model, มนเทาโมเดลหรือคราะ้อเป็นคนคนเลยวิธีคิดของพวกมึงแม่งมึงยังใจมึงยังไม่พร้อมมึงยังไม่รักเพือเ่อนฝูงเพื่อนฝูงก็เสียสละไส่ชุดนักเียนทุกคนมึงเลยมาเป็นกม้กมๆแก้มๆรองเท้าเซฟตี้เสื้อขาวตัวนึงเลยฮะแม่งมึงยังยิ้มยักยกิ้มักคุก็ดูตูกออกนะ้ว เขย่งฝ่ายบุคคลไม่เป็นคนที่อ่านเกมตลอดแล้นโรกอคตเนี่มันต้องโจทยแต้องเปลี่ยนไปลองใจกันหลายอย่างัององ้เรือเยเอะแยะหมนะครับช้างกำลังจะ ก, กระโดดพวกคุณมีโปสเตอร์อย่างนี้ไหมวะผีเสื้อจะกลายเป็นเสือนี่เหมือนพวกคุณพยายามจะทำนะพยายามจะทำนะถ้ายัางอย่างในห้องน้ำเห็นปะ เรียจะทำออกกาลังกายหลังนี้จะงาน <c oughs> พุณมึงออกมา่งเปล่าเนี่ยคุณต้คอยสังเกตเลยมีใครเข้ามาอ่านหรือเปล่านะนั่งดูอะไรเงี้ยเราพยายาจะทํานะพยายผมอบมบ่อยไปบ่อยอยเงี้ยอันนี้ก็คือฉายหนังอาจารย์จะฉายหนังได้แล้วสอนเรื่องการฉายหนังแล้วก็บีบให้ฟังฉายเรื่องฉายเรื่องแมทริกซ์พุ่หนังเรื่องแมทริกซ์สอนทํามะได้แมทริกซ์เป็นวิปยาศาสตรญาณทั้งหมดเลย ท่าหนึ่งมีโอได้โสดาบันท่าสามบรปปรลุอรหันต์สเกตจของการคิดกางศาสนาพุทธทั้งเรื่องเลย้ล็นั่งสอนพี่สอนเลิกเย็นเลยนะเนี่ยเลิกสามสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มไม่รช่างแม่ไม่คิดตังค์อะไรับตั่งเล่นกันไปเรื่อยๆคุณต้องพร้อมก่อนไงคุณต้องเช็งแล้วดูก่อนนะเขาก็จะยอมคุณอ่ะดูนี้นี่ก็จี้วันเด็กมีวันเด็กไหมที่เนี่ยเนี่ย ลูกหลานมานั่งงานโรงเรียนแถวนั้นมานั่งเรียนทั้งหมดเลยใช่ไหมย่าอาจารย์เนี่ยเขาเรียกสร้างภาพเนี่ยพวกมึงทํากูแกลงไปนั่งแล้ให้ถ่ายรูปเขาจะยังนี่มือกําลังสร้างภาพเองเห็นไหมจริงๆเอตัวนี้เป็นคนทํำก็ใช่ไหมครูไปนั่งแปบเดียวเองแต่ออกมาแล้วดูเหมือนว่ากูทําไมนะคูเป็นคนทําแต่ผมไม่บอกคุณก็ไม่รู้ใช่ป่ะคุณต้องสร้างภาพนี่เห็นมันซีกันไห ถ้าไปสอนที่อืนก็เนี่ยผมทําเองไ <laughs> อเวนโกหกยิ่งไม่เรียกว่าบาปนะในอุบาย <laughs> ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่มีใครเดือดร้อน <laughs> ี่สิง่งออกมาสวยงา ม, มก็คิดว่าใช้ได้ <laughs> ลมดูดฝุ่นนี่คืออะไรครับนี่คือเครื่องกรองฟิลเตอร์ของคุสณสเบนใช่ไหมจำลองมาเป็นเครื่องจักรแต่จําลองมาแล้วยังไม่ถูกใจผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถามเชิงวิศวะนะคํา <laughs> คนวณซิสีเดืเท่าไหร่ o ptimization คิดต้นทุนตอนนี้เอามาอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคนทําวชปวสอเองใช่ไหมครับผมจะมค่อยอัพเกรดให้อยู่ให้ในช่างแม่งเติมลงไปในช่างต้องเป็นคนที่อ่านตาราเยอะๆละคิดเยอะๆผลปชปวสเป็นคนที่เข้าใจหาจุดเป็นจุดปลายของเครื่องดูดฝุ่นตรงนี้ทำวิชาดีไซน์ of e x p e r i m เ n t เพื่อนี้จะระเบิดชิบหายได้ตรงไหนพังก่อน อะไรตัวไหนเป็นอะไรเกรดเอที่จะ f a i เรียก่อนคุณต้องท mode, an analysis, MA, ํา a i l เรียกหมดอย่าง effect analysis ว่า fma ใช่ป่ะเคยทํำยังตอนทํา f ่เคมีออกมาหาตัวแปรหาตัวดูดเงินใช่ไหมโอีอะไรทำเยอะแยะเรานั่งศึกษากันวิเคราะห์ อ, ออกมาเนี่ยนั่งเล่นตลอดเลยนะใส่ผงปูนเข้าไปชิวๆอะอธิบายทางฟิสิกส์อ๋อมันเป็นชั้นสั้นไมน่จะเพิ่มให้เร็วขึ้นอะไขึ้นสอนทําไมผมต้องเอาให้พนัก ง, งานมาทำํำรูงนี้ให้เด็กดู เป้าหมายให้เด็กดูหรือเป้าหมายพ่ดให้ไ อ, ไ, อไอตัวนี้แม่งเก่งใครดนีเป้าหมายคืออะไรครับมึงพูดบ่อยๆมึงจะเก่งขึ้นมันมีงานวิจัยรองรับอีกเช่นกันโรงงานซึ่งเปิดให้คนอื่นเข้ามาถามเอยอะๆคนงานแม่งจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพรามันต้องคอยตอบเ้าแม่งต้องคอยตอบพยายัมสุดท้ายไม่มันเป็นแฟนพันแท้ต้องตอบได้หมดเลย ฟิลเตอเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงใช่ไหมแล้วคุณก็สนุกคุณงานน่ยเขาก็อยากได้ความรู้พวกนี้เขาเย็นมาน้อยนะปอชปอสกูเติมให้เติมให้ให้มันชีหายเขย่างแล้วมีด็อกเตอร์สักคนยังไปทำไมครับเติมให้กูเติมให้ด็อกเตอร์บัวบวกูเอากูบับให้ไปเรื่อยๆถูกป่ะเด็กกูให้กันบ้านกูในช่างแม่มาคิดต่ออันนี้ก็คือรถสิบล้อไอ้รถในเหมือง เกี้ยครูสร้างภาพครูเอาไปดรอินไปตัดเพี้ยสร้างภาพใช่ไหาสร้างภาพ น, านี่เด็กหาอาจารย์เอาไปด้วยเพื่อให้บรรยากาศมันดูดีหน่อยเนี่ยนะรถขุดรถ ต, ตักเด็กแม่ชอบมันที่หมายเลยเล่นเนี่ยลุงกูเล่นว่ะเนี่ยลุงกูซื้อพวกมึงเลยสิบ เ, เด่นตายอไอย่างเงี้ยพวกนกี้เข้ามาเล่นดูแววตายเด็กชื่นชมงานพวกคุณเลยนะ เป็นครูของเราแม่แมงเนี่ยต้อตากเปิดการให้แมงชอบเนี่ยฉันได้ยินฉันอาจจะลืมฉันเห็นฉันจําได้ถ้าฉันได้ทําฉันเข้าใจด้วยฉันได้เล่นฉันค้นพบนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเริยนในเมื่อเส้นจากรมันใหญ่คุณเข้าไปทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมึงมาซูโมเลกันข้างนอกแล้วก็จะลองสถานการณ์ทุกอีฟที่ยี่เง่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยจะมีไฟเอฟเฟกต์ใต่อในโรงงานทั้งหมด ยามสงบคิดเรื่องยอเงี้ยวยามเรื่องยีเงี้ยวเข้ามายัางได้ไม่ต้องคิดถูกว่าวเนาะลองจลองนี่ถ้าโรงงาน น, น, ง น, นู้นระเบิดคุณ ร, รู้ทำไงที่นู้นระเบิดที้นี้ระเบิดที่นี่ระเบิดที่นี่ระเบิดทำไงกระดิงไหมทำไรใช่ปะ่ะที่คุณถามผมว่าทุกอกคนนีคิดหมดเลยใช่่แล้วต้อเข้าใจกันหมดแล้วนะตัวไม่ต้องไหวหมายามสงบคุณต้องซ้อมลบเหมือนทหารเนี่ยยามสงบต้องซ้อมบ ซ้อมจำลองเหตุการณ์บ้าๆวอลขึ้นบ่บนอยๆงานพิโตเคมีต้องจำลองเหตุการณ์บ้าๆกีสินี้ก็ทำอย่างนี้เดยไม่ต้องคิดกีสินี้ทำานี้เห็นไหมเข้าใจไหมทหารเราซ้อมบ่อยมากนะไม่ว่าเราแม่ขับคู่มินเล่นด้วยต้องจำลองสมัยก่อนเนี๋ยวยิ้นามตีเราเดี๋ยวภายในสิบห้าทียิ้นกรุงเทพได้ด้วยพวกมันน่ะเก่งอยู่สมัยก่อนนะเรนนี้ของมันไม่ได้นะเวิ่นน้ำ <c oughs> อุปกรณ์แมกขึ้นสนิมหมดแล้วต้องคิดตลอดเลยเรื่องพวกนี้นะอันนี้จำไว้นะ เียร์ซีทำเฟรเฟร์่ออะไรครับผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างปัญหาคือเจ้านายเป็นคนยังไงอ่ะถ้าเจ้านายไม่เป็นคนขี้กลัวใช่ไหมลูกน้องไม่ไมกล้าทําลูกน้องจะไม่มั่นใจพอลูกน้องไม่เคยทําอะไรผิดผิดนะเจ้านายคุมตลอดเจ้านายแม่งก็จะเหนื่อยและจะเกิดคอนฟ lict ระหว่างนายกับลูกน้องคุณเคยปิดตาให้ลูกน้องทําผิดบ้างไหมจุดยอดเลยคื อ, อยอมผิดในบริชัทนะ กอดทำไม่โครงการโอขอบข้างนอกคือเลยครับมเมื่อกี้มึงไปผ้ากันข้างนอกกอดใช่ไหมใ๋ย่อาจารย์ถอยขึ้นมาข้างในเดี๋ยวใช้ห้องซูโมเลดสร้างซูมูลเลชันขึ้นมาคุณเห็นที่การบินไทยไหมครับที่เรามีห้องเึิ่งขับนักบินเนี่ยเพื่ออะไรในนั้นมีการจําลองทุกสนามบินเลยสนามบินที่ลงยากที่สุดนะก็คือแม่โรงสอนทุกสถานการณ์ท่านลมแรงมาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอออาจารย์ก็ แต่ตกนเข้าไปนะใส่คอมเข้าไปลมแรงเท่านี้เอาแก้เกมจะแล้วบินก็ต้องแก้ปัญหาที่ s i มูเลตพร้อมเบพวกคุณก็เรียนรูงอย่างรวดเร็วเลยแล้วคุณก็ทำไปเถอะคือบินตกชิบหายดีนะก็ช่างแม่แต่อย่างปายอารเจตตอดตอดตอดเลิกใหม่อยู่หลังหลังผมจะพัฒนาให้นะที่แข่งกอเนี่ยเขาให้ใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลตมากขึ้นซิมูเลตมากขึ้นคุณเล่นทุกเเลยนะ ตัวแปรเมือม่อกอนใช้ไฟไดเอลิเมนต์มันง่ายใช่ไหมในไฟไดเอลิเมนต์ผมแค่ใส่ตัวแปรตัวหนึ่งใช่ไหครับแต่งจานทำเหล็กดามกระดูกเใช่ไหมถ้าหกล้มแบบนี้ตรงไรหนหักก่อนถ้านี่อย่างนี้อะไรหักก่อนถ้าสกรูกตัวนี้พังอะไรเงี้ยอีอุกอยนะมันเล่นลง่ายใส่ตัวแปรเข้าไปเร่อยใทุแปรหรือเครื่องบินลบที่ใช่จังหวะแบบนี้แม่งทำยังไงจดิ่งงงอย่างนี้ใช่ไดิ่งงว่าพวกนู้แม่งตายเพราะาเคยเล่นโหนเลยคอนเสิร์ตว่าคุณเสียวท้องตายเสียวาตา้ แล้วเป็ผู้หญิงที่มีท้องนะแทงหาที่เลยเพราะ 5G เป็นอะไรครับก็ต้องเปิดคนที่ไหนไว้่วงเลยเพราะทุกสราการเนี่ยยามสงบคิดเรื่องมาบ้ายามเรื่อง